ฟังทิดาช่างหูพระพุทธเจ้าก็ตัดสอนให้ทำบรณสติเอาไว้ให้มากชั่วโมงละครั้งท่านก็ อ, อย่างประมาทไปสำหรับพระพุทธเจ้าก็คือท่านมีความรู้สึกทุกลมหายใจก็คือความไม่ประมาทมีอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ไม่ประมาท ปกติเวลาผมบรรยายธรรมผมก็ไม่ได้ถึงกับจะเซตเนื้อเรื่องว่าตอนนี้ช่วงนี้จะพูดอะไรอะไ ร, อะไรนะครับโดยธรรมชาติก็จะแค่คร่าวๆแล้วก็มาถึงก็ามาพูดก็เลยไม่ได้มีรูปแบบอะไรตายตัวกนะ็พูดจากผู้ฟังเป็นหลัก แต่หลักสูตรนี้เนี่ยก็สงสัยตั้งแต่วันแรก แ, รกแล้วว่าทําไมธรรมะถึงได้ออกมาเยอะมากนะครับก็ในที่นี้ก็มีผู้มีบุญผู้ที่สั่งสมบุญผู้ที่สั่งสมบารมีมาเยอะมากในบางหลักสูตรเนี่ย กะว่าจะพูดเรื่องนี้แต่ก็พูดไปไม่ได้เลยนะก็พูดไม่ไปเลยเพราะผู้รับไม่ไปเลยคือมันติดไปหมดพูดอนไรมก็ไม่ออกตั้งใจจะให้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไปไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรก็ไปใหญ่เลยนะครับเมื่อคือนก็กล่าวว่าจะเลิกสักสองทุ่มสี่สิบก็พอแล้วไม่ใช่โยคีพริยรแล้วผมเรียร์ <laughs> 50สิบคอร์สติดกันแล้วมัไม่ได้หยุดเลยรางวันบรรยายทั้งสามสี่ที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จจากนี้ไปไหนเนี่ยไปสุราษฎร์ตั้งแต่อนุบาลถึงมสามอีกทุกรุ่นเลยเอาละเดี๋ยวเรามา เอาให้จบเรื่องปฏิจจะนะครับจะได้เห็นมุมมองแล้วเราจะได้ไปเรื่องอื่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังก็คือธรรมจักกปะปวัตนสูตรซึ่งก็เป็นพระสูตรที่สำคัญแล้วก็เอากันตรงไปตรงมาเลยก็ยคือคระาวาทั่วทั่วไปเนี่ยผมว่าแค่เคยได้ยินชื่ออย่างมากก็สวดแต่ไม่มีบไม่มีคำแปลเพราะว่ายาวมาก ทีนี้พอมีคำแปลก็อาจจะเข้าไม่ถึงคำแปลอีกความหมายแต่ว่าท่านที่มีหนังสือกลัวเกิดแล้วเนี่ยในนั้นมีการสาธยายเอาไว้นะครับสาธยายเอาไว้ให้ท่านเห็นถึงความสำคัญแล้วก็แง่มุมต่างๆในแต่ละส่วนแต่ละส่วนในหนังสือกลัวเกิดเนี่ยเป็นหนังสือเล่มเล็กนะครับแต่อัดแน่นเอาไว้ซึ่ง หลายๆบทที่ผู้เจ้าตรัสไว้แล้วมีความจําเป็นต่อการเดินทางครั้งแรกที่ผมส่งให้อัมมรินเนี่ยจริงๆอัมารินก็เป็นคนพิมพ์อยู่แล้วแต่ว่าอัมมรินขอให้ผมเขียนเพิ่มให้หนังสือมีความหนาสักร้อยกว่าหน้าผมก็บอกว่าวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ต้องการให้คนพกติดตัวไม่ต้องการให้มันเล่มหนากว่านี้ แต่ก็ยอมรับว่าในเรื่องของการตลาดเรื่องของอะไรของเขาผมก็เลยดึงหนังสือเล่มนี้ออกมาพิมพ์เปิดตัวในงานที่บรรยายที่กัลยาณธรรมนะครับกัลยาณธรรมก็เป็นเจ้าภาพช่วยพิมพ์แจกในวันนั้นห้าพันเล่มผมก็พิมพ์เพิ่มอีกห้าพันเล่มกัลยาณธรรมก็ช่วยกันเผยแพร่ในวันที่ผมไปบรรยายเรื่องมรรคานุขาวันนั้นก็เป็นวันเปิดตัวหนังสือวันแรกออกไป หนังสือที่แจกท่านวันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่กรลยาณธรรมส่งมาให้นะครับก็ร่วมกันร่วมกันทำเผยแพร่ออกไปส่วนใครที่ต้องการเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้เขาคงเอามาให้นะครับทีมงานคงคงเอาที่เอามาเพิ่มเติมเผื่อปีใหม่ก็มีคนสั่งไปแจกกันเยอะนะครับ บางคนก็ไม่เคยรู้จักผมไม่เคยเข้าคอร์สไม่เคยอะไรนะอย่างที่ท่านท่านแจกแจกเพื่อนๆไปเนี่ยมันไปตกถึงมือคนคนหนึ่งผมก็ไม่รู้จักเขานะ่ะเขาก็พยายามติดต่อผ่านไปทางโรงพิมพ์ดูเบอร์โทรศัพท์ว่าจะติดต่อผู้เขียนได้ยังไงตอนนั้นก็จะแจกปีใหม่เขาก็โทรมาจนเจอผมเขาก็บอกว่าเขาอยากจะสั่งหนังสือสักสี่ห้าร้อยเล่มไปแจกปีใหม่ ผมก็ถามว่ารู้จักผมได้ยังไงล่ะเขาบอกเขาไม่ทราบใครแจกกันมาแจกกันมานะก็ผมได้อ่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าเป็นหลักธรรมแท้ๆ แ, แล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริงๆผมก็เลยอยากให้ทุกๆคนได้อ่านหนังสือเล่มนะี้ผมก็บอกว่ามารับที่ผมได้เลยนะวันีผมอยู่สุราษฎร์เดี๋ยวผมจะบอกคนเปิดบ้านเหยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีรถ โอ้คนไม่มีรถสั่งทีห้าร้อยเล่มเลยเหรอโ อ, โอ้หัวใจเขาก็เลยไปบอกบุญภรรยาเขาบอกบุญภรรยาเขาบอกว่าเขาจะแจกหนังสือจะร่วมกันไหมภรรยาก็บอกว่าหนังสืออะไรเขาก็เล่าไปฟังชื่อหนังสือขวบเกิดไม่ขวบตายอาจารย์ประเสริฐเป็นคนเขียนภรรยาก็บอกว่าเออเ อ, อถ้าคนนี้เอาด้วยเขาก็บอกเอารู้จักเหรอ เคยฟังวิทยุออกวิทยุด้วยเหรอหรือออกวิทยุด้วยเขากลตไม่ได้ถามภรรยาแต่มาถามผมว่าอาจารย์ออกวิทยุช่องไหนนะพิดนี้มีคนเอาไปออกเจ้าของสถานีวิทยุกันเวลาให้ผมเอเอ3มเก้าหกสามผมก็ไม่ทราบกันแต่เป็นสถานีวิทยุที่วัดต่า ง, ต, างต้องการมากเลยคลื่นเนี้ยนะครับ แต่เขาก็เอามาให้ฟรีนะครับให้ฟรีไม่คิดอะไรผมก็ซีดีการบรรยายตามสถานที่ต่างๆก็จะถูกทีมงานตัดต่อเอาพวกคุ้งกิ้งคุงกิ้ ง, ง, ง, งออกแล้วก็ส่งไปนะครับเขาออกมาได้หลายเดือนแล้วผู้คนก็เลยเริ่มพอจะรู้จักแต่ก็รู้จักแต่เสียงรู้จักแต่เนื้อหาก็ดีแล้วนะครับเอาละเรามาดูปฏิจจสมุปบาท ได้ดูกันหลายเวอร์ชั่นมากนะครับพวกเรานี่เหมือนนักวิเคราะห์ที่เห็นหลายๆมุมทีนี้มาฟังจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่วันนี้เราจะได้พบนะครับคารวะธรรมหลวงพ่อเอียดเย็นนี้เราจะได้พบท่านลูกศิษ์ท่านพุทธทาสนะครับ ซึ่งก็เคยไปบรรยายที่กรัญญัตธรรมมาแล้วนะครับในงานใหญ่มีคนเข้าฟังวันนั้นตั้งห้าพันลองฟังปฏิจจสมุปบาทจากหลวงพ่อเอี้ยนนะครับผู้ที่เริ่มต้นบรรยายให้กับท่านอาจารย์พุทธทาสเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอยู่ในสายเลือดตั้งแต่ท่านหลวงพ่อเอี้ยนเป็นคนคุมก่อสร้างมขรศพทางวิญญาณ ตั้งแต่ยังไม่มีตั้งแต่ปูนถุงแรกหลังจากนั้นก็เดินตามท่านพุทธทาส ต, ตลอดเวลาท่านอธิบายให้ใครฟังในมหรสพ u ทางวิญญาณจนกระทั่งท่านพุทธทาสให้เป็นคนบรรยายเองตั้งแต่เป็นคารวาสจังการก็กรุงองีกปรุงตามให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็คือตัวความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ท, งทางตางงหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง แต่เมื่อจิตมันถูกยึดถือรับตาดูดิเมื่อจิตมันถูกยึดถือว่าจิตนี้เป็นกูดังนั้นไอ้ความคิดการกระทําคําพูดมันก็เป็นกูหมดทีนี้จังการเป็นปัจจัยจะให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็คือตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นก็กู้รู้สึก ก็เป็นกูไปหมดดูบรรจอ r นะครับดูบรรจอ r มันมีเนื้อหาประกอบตอนที่หลวงพ่อให้หลับตานะตอนนั้นไม่มีภาพท่านให้จินตนาการพวกเรามีภาพประกอบเมื่อกูรู้สึกขึ้นมาเรื่อความรู้สึกนั้นเป็นกูวิญญาณก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดนามารูปนามารูปก็คือกายกใจก็แบ่งหยามหยาแบ่งหยาบหยา คือกายกระใจเมื่อความรู้สึกว่าเป็นกูไอ้กายกระใจนั้นก็เป็นข อ, องกูขึ้นมาทันทีเลยคือจิตเนี่ยมันความรู้สึกเนี่ยตัวจิตนี่มันอยู่ข้างในตัวจิตคืออยู่ข้างในเด้อ เ, เป็นตัวสัมผาสก็ยังอยู่ข้างในตัววิญญาณมันเริ่มออกมาข้างนอกนะออกมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจน ว, วิญญาณ แต่มันก็ยังสยบอยู่ข้างในเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำงานนี้พอมันทำงานขึ้นมาเช่ว่ามันมีความรู้สึ ก, กว่านี่คือกายกูนี่คือใจกูวิญญาณ น, นั้นมันจึงออกมาออกมายึดถือว่านี่คือกายกูใจกูกายกับใจมันก็ยังเป็นส่วนอยากอยู่ก็เลยแ บ, บ่งอบอกไปเป็นหก ออกไปเป็นอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นั้นวิญญาณเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปคือกายกระใ จ, จนามรูปเป็นปัจจัยทําให้เกิดอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ข้าไปยึดถือในอายตนะทีเราไปยึดถือว่านี้คือตาหูหูหูจมูกลิ้นกายใจ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 มันรู้จักว่ารูปนี้สีเขียวสีแดงคนนั้นคนนี้คนโน้นมันรู้จักแค่นั้นเองแต่มันไม่รู้ว่ารูปนะ่ะมันเกิดเกิดดับดับไม่รู้่าตาก็เกิดเกิดดับดับมันไม่รู้อันี้เสร็จแล้วไอ้วิญญาณอย่าว่าจักปู่วิญญาณนั่นก็เกิดมาผสมรวมกันอีก พอเกิดมาสมรูปก้าวพอตาทำหน้าที่ไอ้วิญญาณนั้นก็เข้ามาผสมก็ทําให้เกิดการกระทบเราเรียกว่าปฏิสัทธการกระทบก็เรียกว่าปฏิสัทธ์กระทบทางตาเรียกว่าปฏิสัทธ์ทางตาแต่มันก็กระทบทั้งหกทางนะทั้งตามตาหูจมูกลิ้นกายจันแต่อย่าลืมว่าทุกตัว ม, ดดมันถูกสะกดด้วยอวิชชามันถูกสะกดด้วยอวิชชานี่พอเป็นปัจจาขึ้นมาคือเมื่อมันกระทบขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือผลเรียกว่าเวทนามันเข้าไปพอใจก็เรียกว่าสุขเวทนามันเข้าไปไม่พอใจก็เรียกว่าทุกเวทนามันเข้าไปโง่ไปเฉยๆอยู่ในสิ่งที่มันเห็น ก็เรียกว่าเป็นเวทนาเป็นเวทนาแล้วพอเป็นเวทนาแล้วเวทนานั้นมันก็ยังผสมโดยอวิชชาอยู่แะนั้นใน จ, จิตตัวนี้พอมันเกิดความพอใจมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากที่จะดึงก้ามาหาตัวมันถ้ามันเกิดความไม่พอใจมันก็เกิดความอยากขึ้นมาที่จะทำลาย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 จิตนี้ไม่ใช่กูจิตนี้ไม่ใช่เราจิตนี้เป็นธรรมชาติจิตนี้ไม่ใช่สัตวบุกคนตัวตนเราเขาจิตนี้ก็สักแตว่าจิตพูดซ้พูดซ่าโดนจนได้ถึงวันนี้ จำได้ไหมครับผมเปิดคําที่พระอสชิพูดให้พระสารีบุตรตอนที่ยังไม่บวชฟัง <c oughs> สิ่งทั้งหลายเหล่าใดเกิดมาแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นและแสดงความดับโดยสิ้นเชิงเพราะหมดเหตุถึงปฏิจสมุบาท ต, ตอนนี้เข้าใจที่พระอสชิพูดยังครับเข้าใจแล้ว ฐานจิตของท่านเปลี่ยนในสามวันวันแรกท่านไม่รู้เลยนึกไม่ออกเลยว่าระษาริบุตรบรรลุธรรมได้อย่างไงวันนี้ท่านฟังทีเดียวท่านรู้เลยว่าโอท่านเห็นภาพปฏิจจสมุปบาทเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านฟังอีกทีหนึ่งเนี่ย <c oughs> ถ้าเท่านท่านเห็นการเกิดดับเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันแต่ถ้าเห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยท่านเป็นพระรหัน คำเดียวกันเลยนะครับสังเกต ด, ดูดีๆถ้าดับตั้งแต่อวิชชาลงมาเลยเนี่ยเป็นพระอราหันต์เลยทีนี้เอาละพอถึงตรงนี้ผมจะชี้อะไรให้ท่านดูอย่างรู้รูปรู้ลมครับรู้ลม พอรู้ลมก็จะเห็นลมให้ใจเองก็เกิดเกิดดับดับเกิดเพราะมีเหตุดับเพราะหมดเหตุนั่งๆ่งเผลอไปคิดแวบไปวิญญาณก็ไปตั้งอยู่ในสังขารวิญญาณก็เฝ้าดูสังขารก็เห็นสังขารเองก็เกิดดับนะความคิดถูกไหมครับความคิดก็เกิดดับสัญญาจําได้ไหมรู้นึกถึง หน้าคนที่รักปับ๊บมีสติระลึกกลับมารู้ลมหรือวถึงไม่ระลึกเดี๋ยวก็ไปคิดอย่างอื่นต่อสังขารเองก็เกิดเกิดดับๆใจเวทนานี่ไม่ต้องพูดเลยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้หยุดเห็นแล้วสังเกตไปสังเกตดูไปดูไปเรามาดูนามรูป รูปเวทนาสัญญาสังขารนามรูปตัวเนี้อยู่ใต้ใครครับวิญญาณแล้วผมก็บอกว่าวิญญาณอาศัยเพื่อนเป็นที่ตั้งอาศัยพอวิญญาณไปรู้รูปรู้ลมบ้างรู้กายบ้างรู้เวทนาความรู้สึกบ้างรู้สัญญาบ้างความจําได้รู้สังขารบ้างซึ่งท่านก็เข้าใจอยู่แล้วถูกไหมครับ แล้วมันจึงเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเกิดเกิดดับๆับจากการที่ตัวมันเองไปสังเกตคือวิญญาณรูปมันจิตมโนวิญญาณคือไปได้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณเข้าไปเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดเกิดดับๆับมันจึงรู้เลยว่า สิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงทำไมมันถึงบอกว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่า วิญญาณมันไปสังเกตนามรูปเมื่อถึงตรงนี้แจ่มแจ้งที่สุดก็คือเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันวิญญาณเข้ามาสังเกตนามรูปแต่เมื่อวิญญาณไปสังเกตเพื่อนมันจะไม่เห็นตัวเอง มันจะเห็นเพื่อนทั้งสี่ขันดับเกิดเกิดดับดับแต่มันไม่ทันดูว่าตัวมันเองเกิดดับภูมิธรรมของพระโสดาบันจะเห็นว่านามรูปเกิดดับแล้วจะเห็นว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปมันเริ่มรู้แล้วว่าสังขารทั้งหลายนามรูปทั้งหลายเป็นทุกข์แต่มันลืมดูตัวเองจนกว่าอินทรีย์จะแก่กล้าขึ้นความตั้งมั่นสูงขึ้นไปอีกสัมมาสมาธิสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมันจะเริ่มเห็นการเกิดดับของตัวมันเอง แต่การฝึกที่ละอารมณ์ละรู้ลมเนี่ยเป็นการฝึกที่เห็นวิญญาณดับตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นจะเดินทางเข้าสู่มรรคผลได้อย่างรวดเร็วมากไม่ต้องไปตั้งผู้รู้มารู้นามรูปเพราะว่าตัวผู้รู้เองโดนดับตลอดเวลาดับไปพร้อมกับเพื่อนเมื่อก่อนมันอาศัยดูเพื่อนพอตั้งผู้รู้มันจะไปดูนามรูป ทีนี้มันโดนดับไปพร้อมนามรูปเลยพอเป็นพระโสดาบันแก่กล้าขึ้นนิดหนึ่งจะสังเกตเห็นเลยว่ามันโดนดับตั้งแต่ต้นเหมือนกันเพราะว่าพอมันกําลังอยู่กับสังขารปั๊บผมถึงบอกว่ามันดับสังขารดับแล้วก็มันมาเกิดที่รูปทันทีสิ่งเหล่าเนี้จะสั่งสมในนักปฏิบัติวันเนี้ยไปถึงวันที่ท่านแก่กล้าขึ้นท่านจะรู้เลยว่าวิญ ญ, ญาณก็ดับไม่ใช่ดับแต่นามรูป เพราะฉะนั้นท่านจะก้าวถึงโสดาบันแล้วก็เข้าไปถึงความเป็นพระอหันต์อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าจะไม่ค้างเติมที่วิญญาณแล้วก็กลายเป็นกูรู้แล้วไม่จะไม่ตัวตนจะลดลงเพราะว่าไม่เก็บสังสมอัตตาในรู้เอาไว้เพราะสุดท้ายก็รู้อยู่แล้วสติปัญญานามรูปดับหมดเพราะการดับแห่งวิญญาณฟังพท์พวกนี้ไปก่อนทีนี้พอถึงตรงนี้ เราจะเห็นว่าวิญญาณมาดูเพื่อนเหมือนเพื่อนมีห้าคนส่งให้คนหนึ่งไปสังเกตชื่อวิญญาณไปสังเกตเพื่อนนะเพื่อนเป็นยังไงวิญญาณก็ไปยืนดูเพื่อนโอ้ไอ้นี่ก็เกิดดับไอ้นี่ก็เกิดดับไอ้นี่ก็เกิดดับเห็นบ่อยๆบ่อยๆฟันทงเลยเพื่อนทุกคนเกิดดับกลับมารายงานมันไม่บอกก็ตัวมันเกิดดับนี่คือธรรมชาติของทุกอย่างมันลืมตัว เราดูอะไรเราก็ลืมตัวมันดูอะไรมันก็ลืมตัวมันลืมตัวเองมันลืมตัวเองใครอะไรก็ลืมดูตัวเองกันหมดอ่ะมันก็หมดแต่ดูคนอื่นมันก็ไม่ได้ดูตัวแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะกลับมาดูตัวก็ยากแล้วนะเพราะว่ามันแก่กล้าขึ้นเข้าใจตรงนี้ก่อน หลังจากนั้นเมื่อวิญญาณเริ่มเห็นตัวเองเริ่มสังเกตตัวเองได้ในบทสวดลองเปิดดูแล้วครับพิจารณาสังขารหลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นความเชื่อมโยงกันได้ยังไงมาเรื่องเดียวกันได้งไงเนี่ยนี่ก็จะสวดให้สลดสังเวชจะตายซะหน่อย หน้าส4ครับพอมาถึงส่วนที่สามสัพเพธรรมมาอนัตตาเปลี่ยนเป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงละทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนพอถึงนาทีนี้มันเห็นไปหมดแล้วว่าไม่ใช่แค่สังขารคือร่างกายจิตใจเท่านั้นน่ะแต่ว่าสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนัตตาหมดเลยพอมันเห็นจากข้างในแล้วมันลามออกไปข้างนอกหมดเลยตรงนี้คือภูมิธรรมของพระอาหารหันต์ สัพเพทำ ม, มาละตอนนี้เปลี่ยนไม่ใช่สังขารแล้วไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทแล้วทีนี้ออกไปข้างนอกแล้วเพราะปฏิจจสมุปบาทจะดูแค่ในขันห้านี้เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภายในแต่พอเห็นทุกอย่างสัพเพทำ ม, มาทั้งหมดทั้งโลกทั้งจักรวาลจะกลายเป็นอิทัตปฏิยาตาล่ะเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นรวมทุกอย่างทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีเหตุให้เกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับแล้วก็อยู่ภายใต้กฎเดียวกันคืออนิจจังทุกขงังแล้วก็อนัตตาทั้งหมดเลยถึงวันนี้มันจึงปล่อยวางทั้งหมดเมื่อปล่อยวางจิตก็จะปล่อยวางทุกอย่างพ ร, รวุ่งไปเลยสมาธิธรรมวันนั้นก็จะหลุดหมดรวดเลยนะครับเหมือนโมบายถูกตัดตั้งแต่ขั้วยอดล่วงลงมาทั้งโมบายเลยไม่ต้องรอเด็ดทีละอันแล้ถึงวันนี้เข้าใจธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ปลดเลย ปล่อยอุปทานในขันจิตคืนสู่ธรรมชาติเลยเข้าสู่สภาพจิตเดิมแท้ผมจะให้ฟังอะไรนิดวันนี้นะผมบอกตรงแต่วสภาพธรรมภูมิจิตของท่านตอนนี้นะเอาไปผมไม่รู้นะ ท่านฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้ขอให้ถูกตรงนะไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านคิดว่าท่านจบจุกิจบจบหน้าที่นะเปิดองค์ไหนก็ได้วันนี้ท่านรู้เรื่องหมดเพราะว่าตอนนี้ท่านเปลี่ยนจิตของท่านเปลี่ยนมายืนเยาะยืนอยู่ในมุมมองที่ถูกต้องชั่วคราว บางทีหลวงปู่มั่นรับอาหารอยู่อถุงปูร่าครับตุงปูร่าตาทิพย์สิทธิหลวงปู่มั่นลองฟังเรื่องที่ท่านเล่าแห่งภูเจาะก็ะกําลังรับอาหารอยู่มีแม่คีแก่กวหนึ่งอายุแก่กว่าหลวงปู่มัน่น พอมาส่งอาหารก็ถามว่าหลวงพอ่อหลวงพอ่ออะไรกินข้าวอยู่นั้นพูดายาวตจากภาษามันนอกไม่ได้ ว, ว่าฉันเชื่อเลยหลวงปู่ก็ไม่ถือสาลงปู่ไม่ลวงปู่บ้านเกือมคำข้าวแล้วก็สังขารกองทุกข์เสียบทานอาหารอยู่นี้ ที่ฉันจังหันอยู่นี่ที่ฉันอาหารอยู่นี่มั่นไม่ได้ฉันออกตอกกันทันหรือกูนเพราะปู่มั่นก็ให้คะแนนว่ายายแกคนนั้นปฏิบัติมานานแล้วถึงโลภุตระจิตยายแกคนนั้นเป็นพระรยาบุคคลท่านใดท่านหนึ่ง นักปราชูดูกันฟังดีมากพวกเรามองไปที่ไหนก็เห็นแต่ที่น้ำไฟลงไม่ได้เห็นอันอื่นในส่วน่าในส่วนธรรมก็เหมือนกันรูปประทํานมามธรรมเท่านั้น สัตว์องเที่ยวถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่หลงลูกประทานามาทันแล้วก็พ้นไปลูปประทา น, นามาธาตุสมานกันท่านเล่าว่าขณะที่หลวงปู่บ้นกาลังฉันอาหารอยู่แม่ชีแก่เดินผ่านมาแล้วก็หันมาถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรกินข้าวอยู่ท่านก็บอกว่าไม่ได้พูดฉันซะเลย พูดตางภาษาบ้านนอกนะอะไรกินข้าวอยู่หลวงปู่มั่นพอเคี้ยวข้าวเสร็จท่านก็บอกว่าสังขารของทุบกินข้าวอยู่มั่นไม่ได้ฉันหรอกแม่ชีก็เดินต่อไปหลวงปู่มั่นก็จะรูดก็พูดกับหลวงปู่ล่าว่าแม่ชีนี่ถึงทำแล้วท่านถึงบอกว่านักปราศ พูดกันฟังดูดีมากเลยคือมันพ้นจากบัญญัติกันหมดเลยมีแต่สภาพปรมัตนี่แหละที่ผมเรียกว่าทางคู่ขนานพนระเจ้าตัดกับนางธิดาชัําหูตัวเล็กๆท่านก็ไม่ได้พูดในชั้นของเนื้อเรื่องเลยท่านพูดในชั้นของเนี่ยชั้นอย่างเนี้ยชั้นที่เป็นปรมัตเนี่ย จะเข้าใจกันสองคนนอกจากว่าตรงนั้นมีผู้ที่แบบเดียวกันก็จะนั่งแล้วก็ยิ้มยิ้มเข้าใจก็นั่งยิ้มยิ้มไปเฉยๆแต่ก็ไม่เข้าไปยุ่งกับบทสนทนาซึ่งนักปราชญ์กำลังคุยกันเราอาจจะได้ยินพวกในกลุ่มของเซนใช้กันมากนะครับเพราะว่าเขาพูดกันที่ส่วนใหญ่จะพูดถ้าท่านพุทธทาสจะใช้คาว่า ภาษาโลกกับภาษาธรรมในส่วนเนี้ยใช้คำว่าภาษาธรรมแต่ถ้าใช้บัญญัติบนโลกอธิบายเรื่องเล่านั่งคุยกันปกติเนี่ยเป็นภาษาโลกเหมือนเซนเวลาเห็นธงไหวผับบผับผัอยู่บนเถาเสาธงเดินไปด้วยกันสองคนโอ้ธงไหวอีกคนหันไปดูก็บอกโอ้ใจไหว ทงไวมีคนบอกใจเอาไว้ภาระไม่มีในท่านผู้ใดผู้นั้นปรงภาระแล้วภาระจะไม่มีก็เพราะเห็นอนัตตาธรรมชัดบาปก็สง่งคืนให้บาปบุญก็สง่งคืนให้บุญ ถ้าเข้าไปสอดแทกยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจก็ส่งคืนให้ใจทำก็ส่งคืนให้ทำลูกก็ส่งคืนให้ลูกอย่าเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของอะไรไม่ใช่ของเราอย่าเอามาเป็นของเราถึงจุดนี้วางหมดแล้วเห็นก็ส่งคืนให้เห็นอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ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 ถ้ามีความหลงสัมปยุตเพราะมีกิเลสสัมปยุตจิตจะเด่นดวงสักเพียงในก็าตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเ จ, จ้าของจิตจะโง่เขลาสักเพียงในก็าตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของธรรมะสูงเราอยู่เหนือจิตเราบังคับจิตได้สมาาุปลมะชาทถนะ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 เราเรารู้ผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ท nah quit quit ั้งสามการนี่เราไม่ไปยึดถือออกเป็นเจ้าของเวลาเราเรียรซากนั่นแ่ละเรารู้ผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันแล้วเรายึดมาเป็นเจ้าของเราจึงทุกข์หลวงปู่บอกอย่าไปยึดมาเป็นเจ้าของแล้วมันก็ไม่ทุกข์ แต่มันมีกระบวนการ น, ะนี่คือเวลาฟังท่านนะฟังง่ายนะแต่เวลาไปปฏิบัติจริงเนะี่ยก็ต้องใช้มัดเข้าไปปลดด้วยการละละละละละละละละแล้วก็หัดวางอารมณ์ไว้ววางอารมณ์ไว้วอย่างนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะวางลงเพราะตอนนี้เราไม่เคยฝึกเราเอาแต่ยึดยึดยึดยึดยเกิ ด, ด, ดอะไรมีความทุกข์ก็นั่งคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดนะก็เรียซาก็กินซาคอยู่ตรงเนี้ก็ในเมื่อขันห้าเป็นสภาพอนัตตา ท่านฝึกยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหะลองนึกย้อนไปดูสิว่าท่านฝึกมันไว้ยังไงหนึ่งคือฝึกให้เคลื่อนไหวไม่เคยทําให้สงบว่างปั๊บเปิดทีวีว่างปั๊บโทรศัพท์ว่างปับงป๊บเข้าอินเทอร์เน็ตว่างปั๊บต้องหาอะไรทําว่างปั๊บต้องแชทเพราท่านฝึกมันยังไงฝึกยังไงได้อย่างนั้นน่ะแล้ววันนี้จะโทษใครนั่งสมาธิทำไมไม่สงบเลยอาจารย์ต้องถามว่าก่อนหน้านี้คุณทํำยังไงกับมันทํายังไงกับเขาแต่ถ้าอยู่บ้านปั๊บ อยู่บ้านรู้ลมนั่งสงบสงบยังไม่มีอะไรต้องดูไม่ข่าวเคอร์ก็ยังไม่จําเป็นก็นั่งเฉยๆมานี่มานั่งเฉยๆก็เริ่มสงบแต่พอกลับไปไม่ทําแบบนี้คุณก็ไปเริ่มทําเขาใหม่ทุกอย่างก็เข้ามาปิดบังหมดแล้วก็พอมาเข้าข้อที่ก็เริ่มต้นปัดฝุ่นใหม่ปัดยังไม่ทันหมดก็ออกไปเอาฝุนา่นสะอาดเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่จบไม่สิ้นอนะครับไม่จบไม่สิ้น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 ปัญหาของเราจึงหมดไปไม่สอดแทรกตนเองมาให้สุดทุกข์ทำใท่านสูงที่สุดหนึ่งเหตุเชนนั้นหลวงปู่มั่นท่านจังป้ารบว่าบางแห่ สมาธิุ่นร่วนก็มีรถนิดเดียวเท่ากับไม้ชำมละฝังท่านพูดนะในที่พูดนี้ท่านไม่ได้พูดประมาทธรรมะท่านพูดตามเป็นจริงของธรรมะชั้นสูงถ้าสมาธิไม่ถูกเอามาใช้ให้เกิดปัญญาหลวงปู่มั่นถึงได้บอกว่า มีรถแค่นิดเดียวไม่ได้ต่างจากไม้ชำรักฟฝันหลวงปู่ลากก็เลยออกตัวแทนให้ว่าไม่ได้ดูประมาทธรรมะนะแต่นี่คือธรรมะชั้นสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าไม่ถูกพลิกกลับมาเพื่อให้เกิดสมาทิทฐิแล้วไม่มีประโยชน์เลยแค่ทำให้จิตสงบเฉยๆไม่เกิดปัญญาและสันติสุขแน่ๆ เพราะฉะนั้นถ้าจะเดินสงบสักพักต้องเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันห้าให้ได้นั่นละ่ะไม่เห็นก็ต้องสอนให้มันเห็นเพราะมันไม่เคยถูกสอนอย่าสอนให้มันติดสงบอย่าสอนให้มันพุ่งไปที่การเดินอย่าสอนให้มันพุ่งไปที่การนั่งให้ใช้การเดินการนั่งเป็นอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อให้เกิดปัญญาในเมื่อมันไม่เกิดก็ต้องชี้นา ชี้นำชี้นำชี้นำรั้งมันออกจากเส้นที่มันยึดมันกาลังจะยึดสมาธิแล้วมันจะจมไปในสมาธิแล้วมันจะไปไหนไม่ได้เลยมันจะเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละเพราะว่าเด็กคนหนึ่งก็สอนไว้แค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละไม่ได้มีปัญญาพอจะตัดสรู้เพราะว่าไม่ชี้ทางมากักมีองค์แปดให้ครบ ทีนี้ท่านเห็นมักมีองค์แดครบทั้งแปดองค์ท่านจะรู้เลยว่ากระบวนการทั้งหมดสอดรับกันหมดปัญญาเกิดเป็นศีลศีลทําให้เกิดสมาธิสมาธิมาช่วยศีลปัญญามาช่วยศีลศีลไปช่วยปัญญาทั้งแปดองค์จะเริ่มคว้านกันเป็นเชือกเส้นเดียวถึงจะแข็งมากเรียกว่ามัคคะสมังคีถึงวันนั้นจึงเกิดโลกุตละมัคได้เพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรเดียวๆหลวงปู่มั่นพูดไว้เลยนะครับ สมาธิล้วนๆไม่ได้มีค่าต่างจากไม้ชําระฟันเลยแล้วท่านระดับไหนเหตุฉะนั้นพระบรมศาสนาจริงไม่ได้ติดอยู่ในที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ได้ติดอยู่ในรูปไม่ได้ติดอยู่ในอารมุเพราะไม่ได้ไม่ติดอยู่ในรูปเื่องรูปเป็นอารมณ์ก็เพ่งเฉย เพ่งอรมปเป็นอารมณ์ก็เพ่งเฉยเฉยแต่ไม่ติดอยู่เพราะไม่มีใครเข้าไปสอดแทรกอารูุปและอารูุปเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่แต่ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตเป็นบุคคลท่านรู้ลมน่ะรู้ไปรู้มาท่านยึดเป็นของเราเนี่ยแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านยึด ผมถึงพยายามแทรกเข้าไปเรื่องว่าลมหายใจออกหายใจเข้ามาจากปอดปีบนะให้มันคลายความยึดถือไอ้ที่มันเรารู้สึกว่าเข้าออกเนี่ยเพราะอ๋อมันมาจากปอดนี่นะเออจริงถ้ามันคลิกขึ้นมาเพราะมันจะปล่อยเพราะเอา้ามีเหตุให้เกิดมันถึงเกิดโอ้เนี่ยมันถึงถึงไร่เป็นเออิทัศปัจจยตาไม่ได้พูดเล่นให้หนวกหูคนนั่งสมาธินะเห็นลกะกฎสกลลกาย ทุกคนทุกเหตุต้องการเห็นสิ่งไหนก็เห็นแต่ไม่ยึดถือในผู้เห็นแต่ไม่ยึดถือในผู้รู้เหตฉะนั้นการรู้การเห็นจึงไม่มีพิษทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย จึงได้ข้ามห่วงทะเลหลงไปรักนิ่งมือเดียวถ้ายึดถือว่าเป็นเสียงกูก็ต้องยึดถือว่าเป็นหูกูอีกเหมือนกันนี้ถ้ายึดถือว่าเป็นตากูก็ยึดถือว่าเป็นลูกกูอีกเหมือนกันกูไปกูมาก็หากหนักที่นี่ อะไรก็ของกูของกูเหมือนนอกเขาไปจับตัวไหนก็ของกูของกูของกูอยู่ตาก็ตากูหูกูหูกูเป็นครับป่าภูเจออ ก, ก็กับชัยยาสวนโมก พ, พูดเหมือนกันป้ายทางที่เดียวกันจะเอาที่ไหนก็ได้ พูดมาก็จบที่กูนี่แหละหรือจะไปพระตลุงก็คำเดียวกันถ้าหูหนวกแล้วกูก็กไม่กูก็เสียใจทีนี้ถ้าตากูบอดแล้วกูก็ต้องเสียใจทนีนี้นั่นกายก็กาย ก, ายกายูทีนี้ถ้ากายกายูเก็บผมหงอกฟันหักแล้วกูก็ต้องเสียใจทนีนี้นั่นกูไปกูมา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 นามังแป่าชื่อมันใครไปใส่ชื่อนามให้ว่าจมูกลิ้นกายก็จิตใจเป็นผู้ใส่ชื่อให้พอจะจับทางอะไรได้บ้างนะครับ เว้นสองความเป็นพระโสดาบันอ น, อนุนเราจะแสดงทมปริยายอันชื่อว่าเว้นธรรมซึ่งหากอริยาสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรตนเองก็พึงทำได้ในข้อที่ตนเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบาย ทุคติวินิบาตสิ้นแล้วในข้อที่ตนเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยนแท้ต่อพระนิพพานเป็นผู้มีอันจะตรัสรู้ธรรมได้ในการเบื้องหน้าดังนี้อานนท์ก็ทาปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรมในที่นี้เป็นอย่างไรเล่าอานนท์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว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 เป็นศินที่ผู้รู้ท่านสันเสริญเป็นสิลที่ทิฏฐิไม่รูปคำเป็นศิลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอานอนธรรมปริยายอันนี้แลที่ชื่อว่าแวนธรรมซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรนตนเองก็พึงทาได้ดังนี้แล มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คันไม่อันอย่างลงมั่นนะครับถามตัวเองว่าอย่างลงมั่นหรือยังถ้าบอกว่าใช่ฉันเนออี่ยหยางลงมันม่นอแล้วมีศีลไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทจากตันหาเป็นที่สรรเสริญของพระอริยเจ้าก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์เห็นแล้วอนุโมทนาเลยอือโยมเป็นผู้มีศีลงดงามจริงอย่างเนี้ย ท่านบอกว่าเนี่ยปยากรตนด้วยตนหรือว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันทีนี้ถ้าเราเข้าใจเมื่อวานที่เราคุยกันว่าศีลที่ไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยนี่คือศีลประเภทที่หมดเจตนาเป็นเครื่องเว้นเป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิพูะเจ้าตรัสเอเพราะว่าเมื่อ ไม่มีความทุกข์จาั ก, กายแล้วก็วาจาเนี่ยจิตใจจะตั้งมั่นเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินั่งสมาธิสบายมากจิตตั้งมั่นไม่ได้ถึงกับ น, นั่งสมาธิหรความความยิงคำ ว, ว่านั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ช่วยเฉยๆอยู่ในชีวิตประจำวันจิตจะตั้งมั่นกระทบเห็นการเกิดดับเห็นความไม่มีตัวตนเห็นสภาพทุกเดินไปที่ไหนที่ไหนก็เห็น อยู่อีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้นเนื้อเรื่องอย่างครั้งหนึ่งเขาชวนผมไปเซี่ยงไฮ้เมืองจีนไปกับหลวงพ่อเอี้ยนแล้วก็คณะลูกศิษย์วันนั้นก็ไปที่ช้อปปิ้งสตรีทของ เสี่ยงไฮ้เนีะ่ะกโ็โหไม่ต้องห่วงล่ะนะครับเมืองก็ใหญ่โตยยแล้วช้อปปิ้งก็ถ้าจะว่าสวยก็ยาวเหยียดล่ะซ้ายขวาเป็นร้านแล้วก็ตรงกลางเป็นโล่งๆเดินคนเต็มไปหมดเลยทีนี้เขาก็จะถ่ายรูปกันนะธรรมดาอาจารย์จารย์ยืนเร้ยงเรียงหน่อยยืนข้างๆกันน่อาจารย์มุมนีอนนนออนนะ้อาจารย์ขยับนิดเพื่อจัดอาจารย์ขยับมา เอาเอถอะไทยเถอะไทยตรงไหนก็นรกทั้งนั้นแหละคนถ่ายมือค้างลรีบกดรีบกดให้เสร็จเลยเขาก็ถามผมว่าทำไมอาจารย์พูดงั้นนะใครๆเขาก็ชอบมากันนะเอาคนออกและดูไปที่จิตให้หมดทุกครั้งที่ทุกคนมีผัสสะกระทบจะเกิดความอยากได้เกิดตัณหาทุกคนเลย เพราะมันเดินผ่านของที่ที่คนว่าสวยๆงามๆร้อยคนตันหาร้อยคนเลยมันเผาอยู่ในใจหมดมีแต่เปรตเดินกันแล้วเปรตมันเดินที่ไหนอ่ะถ้าไม่ใช่นรกแล้วลงมาทําไมมาดูนรกไงเห็นคนเขาถ่ายรูปกไหมก็ามาถ่ายนารกกันกลับไปดูไหมกลัวลืม <laughs> ผู้สิ้นความสงสัยพระโสดาบันพิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั้นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูป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 ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันแต่ละขันเท่านั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าแม้สิ่งใดไม่เทีย่ยมเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าสังเกตไหมครับว่าพอฟังอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนจะประกอบภาพไม่ติดเลยถ้าผมไม่ขึ้นจออะไรเล ย, เล ย, เยมันจะฟังยากมากเลยตอนนี้ ท่านชีให้ภิกษุเห็นว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่าอะไรนะสตรีไม่คลอดลมไม่พัดน้ำไม่ไหลอะไรเนี่ยนะครับทิฐิเหล่านี้เนี่ยคือทิฐิของคนทั่วๆไปแต่หากว่าผู้ใดก็ตามเห็นว่ารูปที่ท่านถามภิกษุว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ภิกษุก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสังเกตไหมว่าท่านจบแค่นี้ปกติท่านจะไปต่อว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านจะต้องต่ออีกคำหนึ่งแต่นี้ท่านกำลังจะแสดงถึงพระโสดาบันท่านจึงไม่ลามท่านจึงไม่ไม่ดึงไปถึงอนัตตาเพราะพระโสดาบันไม่เห็น พระสวสดบิบาเห็นแค่นี้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ <c oughs> ไม่ไปถึงสิ่งเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเพราะว่าระดับพระสวสดิบัลยังไม่เห็นเพราะว่าตัวเองยังไม่เห็นว่าวิญญาณดับท่านกระจกแค่นี้แต่พระสวสดบันจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นทุกข์หากไม่เข้าไปยึดถือก็ไม่ทุกข์ จะเห็นแค่นี้นความจริงแค่นี้ก็ยังทุกข์แต่ว่าพระสุรบัณข้ามโคตรปุตชนมาแล้วเพราะว่าตอนเป็นปุตชนทุกข์มากอย่างที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าเปรียบเสมือนขี้ฝุ่นทั้งโลกกับขี้ฝุ่นที่ปลายเล็บท่านเนี่ยแสดงว่าคนที่เพิ่งพ้นขี้ฝุ่นทั้งโลกมาแล้วก็เหลือแค่ขี้ฝุ่นปลายเล็บเนี่ยจะรู้สึกว่าแทบจะหมดทุกข์เลย แต่พออยู่นานๆก็ถึงจะเริ่มทุกข์กันฮะแล้วทุกข์ก็เริ่มมากขึ้นเพราะมันเริ่มคุ้นกับสภาพใหม่แว่นขยายมันเริ่มโตขึ้นเริ่มเห็นฝุ่นละอองมากขึ้นเล็กก็เป็นใหญ่เล็กก็เป็นใหญ่ก็ต้องเดินทางต่อนอกจากครูบาอาจารย์ก็บอกว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีเนี่ยพอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มใส่เขียวว่างนอกจากเจอเรื่องใหญ่ๆเรื่องกระแทกแรงๆเนี่ยวิ่งจู๊ดเลย เพราะฉะนั้นถ้าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มวางวางแล้วก็สบายสบายท่านก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มใส่เขียวว่างนล้วมันก็ตีเข็ ม, ม เ, เรื่อยแล้วมันสบา ย, ยใช่ไหมคือมันคล่อมๆกันะแต่ถ้าเกิดเรื่องอีกทีหนึ่งมันเห็นพอเห็นทุกขอีกทีไม่เอาแล้วเรากําลังประมาทรับเพ่นเลยก็ตั้งหน้าตั้งตาภาวนามันก็ไม่ยากแล้วล่ะก็เห็นพื้นๆมาจนหมดแล้ว แต่ก็แล้วแต่อินทรีย์ก็คืออย่างประมาทไม่มีชาติที่แปดแต่บ้างก็บรรลุเลยบ้างก็บรรลุชาติหน้าบ้างก็อีกสองสมชาตินะครับ ก, ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่และท่านลมก็ไม่พัดทีนี้มาถึงทิฏฐิตรงนี้เนี่ยเอาอย่างนี้เพื่อจะได้เข้าใจพระสูตรตรงนี้หรือสิ่งที่ท่านตรัสกับพระานนล เ, เวลาผมถามท่านว่าเราทุกคนต้องตายใช่ไหมครับใช่ คนที่เรารักต้องตายใช่ไหมใช่ถ้าหยุดก็ก็ไม่มีอะไรท่านก็ไม่รู้สึกว่าท่านต้องตายนะท่านไม่รู้สึกนะท่านขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเห็นอุบัติเหตุอยู่ฝั่งนู้นปั้งมีคนตายหวัวศกนอนเกลื่อนเลยรถพังพินาศเลยท่านขับไปแนละ้วท่านก็ขับต่อเลยนะท่านไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเรานะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นนะ ไม่มีทางที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเราไม่เคยรู้สึกเลยนะใช่ไหมหมอจุม๋ม <c oughs> หมอจุ๋มต้องถามหมอจุม๋มรถยับไม่มีชิ้นดีเลยนี่คนนี้ธรรมะคุ้มครองจริงๆเห็นสภาพรถทั้งงงไม่นึกนะถ้าท่านขับผ่านรถหมอจุ๋มเมื่อนั้นท่านก็ไม่นึก <c oughs> ว่าจะเกิดกับตัวเองเ <c oughs> นี่ยที่ท่านบอกว่าน้ำไม่ไหลสตรีไม่คลอดคือทุกคนจะมี สิ่งหนึ่งที่อยู่ฝังรากลึกคือนิจจังจิตทุกคนจะเป็นนิจจังสุขขังแล้วก็อัดตาสามตัวทึ่งฝังรากลึกมากับรูปนามนี้ตอนที่มันพัฒนาขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เคยหายไปไหนวันนี้ทำยังไงมันถึงจะสวนทางไอ้พวกนี้ให้มันเห็นความจริงว่าไม่นิจจังนะทำไมผมถึงบอกนิจจัง วันนี้ผู้หญิงที่รักสวยรักงามทั้งหลายถ้าเห็นสิวขึ้นเม็ดเป้งๆกลางหน้าเลยเนี่ยทุกข์ไหมทุกข์ทำไมทุกข์กันในเมื่อรู้จักอ น, นิจจังไม่ใช่เพราะทุกครั้งที่คุณทาครีมลงไปที่หน้าเนี่ยคุณปาถนาอย่างหนึ่งที่ให้มันนิจจังให้มันสวยอยู่อย่างเนี้ยแต่คุณไม่รู้คุณฝังรากลึกในความเป็นนิจจังตลอดเวลาดูดูแลผิวนะไม่ผิดหรอกดูเข้าไปเหอะ คือยิ่งทาเท่าไหร่ก็ยิ่งติดมันยิ่งถูยิ่งทาก็ยิ่งติดแต่ไม่รู้มันพยายามต้องการให้สภาพทุกอย่างเป็นนิจจังดั่งใจแต่งานกับสามีเธอเปลี่ยนไปนะเอาเขาทุกอย่างเธอเห็นเธอไปปฏิบัติธรรมมาไม่ใช่เหรอทำไมเธอไม่เข้าใจกดง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออา้าวโดนเลยไม่ล่ะเธอต้องการให้ฉันเป็นนิจจังไงอ่าเนี่ยทีหลังสวนเลยนะ จะเป็นไปได้ยังไงที่ฉันจะเป็นนิจังตลอดเวลาเนี่ยเอาละทีนี้ถ้าเขี่ยแบบนี้คุณผู้หญิงก็ฮีทขึ้นล่ะเนี่ยนิจังแล้วทุกวันเนี่ยพอมาอยู่อย่างเนี้ยอย่างนี้ยังไม่เท่าไหร่ถ้าหลุดออกไปอีกเนี่ยไปอยู่วัดปา่าไปอยู่ปา่าไปอยู่อะไรที่ต้องลำบาก ช่วงน้ำท่วมต้องไปอยู่ศูนย์อพยพหรือว่าอนาคตเกิดมันเกิดภัยพิบัติไม่มีแล้วบ้านช่องมันถล่มลงไปหมดนะเดินกระเป๋าใบเดียวกระเป๋าก็ไม่มีอีกเพราะเอาไม่ทันนะเดินตัวปิวเลยทียนี้เหลือแค่นี้อันเดียวทุกข์ไหมทุกข์ทำไมทุกข์ก็มันติดสุกเลยติดหมดนิดจัง บ้านถล่มแล้วทำไมเป็นโอ้สรพพินเคยขึ้นมาดับไปเป็นธรรมดาจริงๆหัมันต้องอย่างนั้นดิมันถึงจะพ้นทุกยืนดูก็ร้องไห้ร้องไห้แสดงว่าจิตมันติดนิดจังวันนี้จะมาแก้ทำยังไงถึงจะแก้ได้ต้องให้มันเห็นให้มันปล่อยกพปล่อยผมถึงบอกว่าละเมื่อคืนเราเห็นละปฏิจากของยัวพุทธเนี่ยโอ้โหนะเห็นไปถึงต้นทางหมด ว่ามันเกิดขึ้นมายัางไงอะไรยังไงมันจะได้ปล่อยความยึดถืออะไรมันจะนิจจังล่ะมันก็สภาพมันก็ดิ้นไปดิ้นมาอยู่อย่างนี้แหละแม่น้ําก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างบั่นคงดุจการตั้ง ของเสารเนียดดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าท่านอุปมาจิตของปุตุชนเห็นอะไรเป็นนิจจังหมดในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสถามและภิกษุเหล่านั้นถูกตออย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันแต่ละขันเท่านั้น ภิกษุทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วสแสวงหาแล้วครุ่นคิดอยู่ในใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าข้อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์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 พิสุทั้งหลายในการใดแลความสงสัยกังขาในฐานะทั้งหลาย6 ป, ประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยาสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุกข์แม้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกแม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกแม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลู่ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก ก็เป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นละขานแล้วภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยาสาวกผู้เป็นโสดาวันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แล แล้วก็มีอีกเยอะพระสูตรมากนะครับที่พูดถึงความเป็นพระโสดาบันที่ท่านตัดเอาไว้เนี่ยทีนี้เราจะเห็นว่าที่ท่านตัดตรงเนี้เป็นผลถ้าเห็นใครอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้ผลออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นพระโสดาบันเพราะเราชอบไปเข้าใจว่าพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีศีลห้าบริบูรณ์เราจะตีความหมายแค่นี้แต่เราไม่เข้าใจคําว่าไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาว่าไม่ใช่ศีลห้าบริบูรณ์ แต่มาจากมัดข้อที่หนึ่งสองแล้วทำให้เกิดสามสี่ห้าไม่ใช่ตัวสีลห้าบริบูรณ์มัดมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่พอคนไปตีความเป็นสีลห้าผมก็เลยต้องบอกว่าพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีสีลห้าบริบูรณ์แต่ผู้ที่มีสีลห้าบริบูรณ์ไม่ได้แปลว่าเป็นพระโสดาบันต้องมีข้ออื่นด้วยนะครับ เพราะว่านี่เป็นผลเฉยๆแต่ว่าการที่เป็นศีลหบริบูรณ์อาจจะมาจากการชําระอกุศลในใจจนกระทั่งเบาบางมากจนหมดเจตนาเป็นเครื่องเว้นหมดเจตนาที่จะกระทําทุกอย่างจะเป็นอธิศีลจะเป็นศีลที่อยู่เหนือตันหาไม่ได้ไม่ได้ปาถนาที่จะถือศีลแต่ว่าศีลบริบูรณ์โดยธรรมชาติถึงตรงเนี้พรพุทธเจ้าถึงได้บอกว่ามักมีองค์แปดเมื่อย่อเหลือสองอันนี้ใจศกขานะครับ อีกตอนหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อย่อหรือสอไม่ท่านไม่ได้บอกเ่อย่อหรือสองท่านพูดว่ามัคมีโยงแปดแล้วก็พูดไวโพ์ของมัคมีโยงแปดคือคําที่มีความหมายเดียวกันคือสมถะและวิปัสนาแต่ท่านพูดต่อไปซึ่งหลายคนเนี่ยไม่ยอมเอาประโยคต่อของผู้เจ้าออกมาพูดคือศีลของเขาบริบูรณ์มาก่อนหน้านี้แล้วนั่นแสดงว่าในระดับพระโสดาบันขึ้นไป มากมีองค์แปดของตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคือสมถะและวิปัสนาเท่านั้นเพื่อจะเดินทางให้เห็นความจริงแล้วไม่ได้พูดเฉพาะวิปัสนาตัวเดียวด้วยเพราะไม่มีวิปัสนายัางไงต้องอาศัยฐานของสมถะอยู่แล้วในการนั่งสมาธิก็เห็นจิตจะเดินทางกลับไปกลับมาตลอดเดี๋ยวเข้าสู่สมถพะพอสมถามีกำลังจิตจะออกไปเดินพิจ า, ารณาไตรลักษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับเข้าฐานใหม่เขาทำเขาเอง รถรถละละรูููู้้้ละละรถรถอะไรเป็ น, นย่นีป้ปั๊บปัุบปบไปเรื่อยไม่มีเดินพิจารณาอย่างเดียวตายพอดีเนี่ยเหมือนเดินออกจากบ้านแล้วไม่มีที่พักเล ย, เยไม่มีทางหมดแรงต้องอาศัยทั้งสองอย่างแล้วก็ตัววิปัสสนาเนี่ยจะจบที่คําว่าปัญญาการรู้แจ้งคือปัญญาเห็นวันนี้นะครับ ได้เปิดครูบาจารย์สูงๆแต่ท่านกลับฟังรู้เรื่องหมดวันนี้ไม่ว่าเปิดองค์ไหนอ่ะผมบอกจริงท่านเห็นภาพหมดเลยพราเดินมาถึงวันนี้วันที่สี่เนี่ยนะแล้วโอ้โหต้องบอกว่าแน่นปึก๊กตั้งแต่วันแรกมันเนแน่นปึ๊กเลยจิตของท่านเนี่ยเดินขึ้นแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะสุขติเป็นนั้นหวังได้จริง ดีไม่ดีจะปล่อยขันเอาทำอย่างไรจึงจะให้ใครใครรู้ว่าตัวกูไม่มีที่ไหนไหนที่เป็นกูมิใช่คายแต่ใจที่เป็นกูขึ้นมาได้ขนว่าเอาก็ดินน้ำไฟลมที่ในโลกอุปโลกขึ้นมาเป็นกูเข้าดินน้ำก็ยังหลงว่าเป็นเราเช่ามัวเมาจริงหนอยี่ห้อคน ดินน้ำก็ยังหลงว่าเป็นเรานะท่านถึงบอกว่าทําอย่างไรจรึงจะให้ใครๆรู้นะกันเนี่ยทกันอยู่เนี่ยนะครับว่าตัวกูไม่มีที่ไหนๆที่เป็นกูไม่ใช่กายและใจนะกายและใจขันห้าก็เป็นของเขาเป็นธรรมชาติไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูที่เป็นกูขึ้นมาได้คนว่าเอาก็มีคนเขาเรียกคนเขาเรียกเขาไปยึด ในกรณีที่สมมุติว่ า, าใครได้ตำแหน่งสมมุติว่าเป็นเป็นผอเองี้ยเป็นผอไปเดินที่ไหนก็เลือกตัวเองเป็นผอ อ, ออกเป็นนอกหน่วยงานแล้วก็เป็นยังเป็นผ อ, ออยู่พอคนไม่ทำความเคารพก็รู้สึกหงุดหงิด มันเป็นกูขึ้นมาไปที่ไหนแล้วถ้าเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่ออะไรก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้ไงกูเป็นใครเคยได้ยินไหมคำอย่างเงี้ยหรือเคยพูด <c oughs> ไม่รู้ไงกูเป็นใครนะบริจาคเงินเยอะๆเนี่ยเดินเข้ามานี่คนไม่ต้อนรับนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่รู้ว่าใครจะบริจาคบ้างโอ้โนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะฉันเป็นใคร <c oughs> จะไปรู้ได้ไงคนมาตั้งเยอะ <c oughs> โธเอ้ย กูมันค้างเลยก็ดินน้ำไฟลมที่ในโลกอุปโลกขึ้นมาเป็นกูเข้าดินน้ำก็ยังหลงว่าเป็นเราช่างมัวเมาจริงหนอยี่ห้อคนนะครับอ่ะช่วงนี้ไปเบรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาสวดมนต์แล้วก็จะสวดธรรมจักกัน เสก่อนตายตายเสียก่อนตายในตายทีแรกน่นตายแห่งตัวกูมันตายทีหลังน่ะตายแห่งร่างกายแต่ใจความของมันง่ายนิดเดียวคือว่าให้ตัวกู้ตัวกูจึงเป็นความรู้สึกว่าตัวกูยึดถือว่าตัวกู้นะั่ตัวกู้ซึ่งเป็นเพียงความยึดถือนะ่ะหมดไปเสียก่อนแต่ที่ร่างกายมันจะตายการตายของร่างกายนั้น จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อไอตัวกูมันโง่ไปเอามาเป็นความตายของกูถ้ามันให้เป็นความตายของธรมมธรมชาติตามธรรมชาติมันก็ไม่มีความทุกข์หมันไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ที่ความตายนะคุณคุณคุณฟังดูดีๆว่าความทุกข์ไม่ได้มันเป็นความทุกข์อยู่ที่ตัวความตาย <c oughs> มันเป็นทุกข์อยู่ที่มันโง่เอาความตายมาเป็นของกู ถ้ามันยังมีความรู้สึกว่าตัวกูตัวกูอยู่เพียงไรมันก็ยังโง่อยู่เพียงนั้นแหละมันต้องถือว่าความรู้สึกว่าตัวกูตัวกูนั่นคือบรมงโก้เมื่อก่อนฟังไม่รู้เรื่องแต่ น, นี้ฟังรู้เรื่องแล้วนะไม่ธรรมดาแล้วีลยกูเลยขึ้นเลยเบอกไม่ธรรมดาเนี่ยเสร็จอีก นักปฏิบัติเนี่ยต้องระวัง after shock นี่ยะเขาจะพูดกันที่เขาไม่ได้กลัวหมัดแรกหรอกหมัดแรกเราได้ทุกทีเละแต่อีกห้าหมัดหลังจากนี้เนี่ยโดนมันหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะเตือนนักปฏิบัติก็บอกว่าระวัง after shock นี่ยเละเราได้บางทีมันเอาเราสิบทีเลย มาถึงก็ไม่ได้พูดพิมพ์ทำเพลงเลยไม่ได้แนะนำตัวเลยนะครับนี่จะเลิกกันอยู่แล้วแนะ น, นำตัวนิดนึง สััมเระ มาตั้งแต่ปีสองพั้ารอยสี่สิบครับช่วงนั้นทุกข์มากทุกแสนสาหาัสไม่ปฏิบัติไม่ได้มันทุกข์เจียนตายจนเข้าคอสคุณแม่ิรีมาครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งนะครับห้าปีแล้วก็มาพบพระอาจารย์นุนจันทร์ปฏิบัติอยู่กับท่านแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาบวชอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรกันแน่ ที่โยพุตศูนสองปทุมธา น, นีตอนปี2549ในช่วงนั้นก็บวชอยู่ในช่วงจำพรรษา49นะระหว่างที่ปฏิบัติก็ได้จดบันทึกไอ้นั้นไอ้ดีเอาไว้นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรเป็นเหมือนกับบันทึกส่วนตัว จนกระทั่งบันทึกเนี่ยก็เอาให้ครูบาอาจารย์อ่านนะครับเหมือนกับการส่งอารมณ์อ่ะเพราะว่าไม่อยากส่งอารมณ์ก็เขียนเขียนเขียนเขีย น, ยนจดจดเอาไว้ส่วนตัวแล้วก็ส่งให้ครูบาอาจารย์อ่านท่านอ่านไปอ่านมาท่านก็เห็นว่าโอ๊ร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวเจี๊ยวนะก็เลยให้คนใกล้ชิดได้อ่านไปเรื่อยๆจนถึงคุณเมตตาอุทกพันธนะ์พอได้อ่านแล้วก็รู้สึก หนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์นะก็เลยขอเอาไปพิมพ์ไม่ใช่หนังสือเอาบันทึกเนี่ยไปพิมพ์นะเป็นที่มาของหนังสือชื่อดูจิตนันปัญหาแล้วก็ติดเบสเซอร์ของร้านไออินเลยนะเป็นเวลาหลายหลายเดือนทีเดียวนะครับมีการพิมพ์ซ้าแล้วซ้าอีกเยี่ยมกันแต่ก็ขอบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่หนังสือธรรมะนะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของพระรูปหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ว่าเท่าที่สังเกตดูก็คือสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนแล้วก็แม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีผิดศีลมาอย่างมากมายก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งหลายเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมเพราะผมเองก็ไม่ใช่คนดีเดชอะไรนะครับก่อนมาปฏิบัติก็ศีลยังมาคุยกันเลยผมเป็นคนไม่มีศีลเพราะฉะนั้นวันที่ผมเริ่มต้นผมติดลบมากกว่าพวกท่านไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่านะครับ ถ้านองวันนั้นกับวันนี้ท่านที่ปฏิบัติอยู่วันนั้นแล้วผมผมเป็นคนแบบวันนั้นเนี่ยท่านมองหน้าผมนี่ท่านจะบอกเลยว่า mm hmm. คนอย่างนี้มีในโลกด้วยเหรอเนี่ยคนชั่วยอย่างนี้มีในโลกด้วยเหรอแต่ผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าธรรมะเปลี่ยนคนได้จริงๆเมื่อไรก็ตามที่ท่านเข้าใจนะครับเข้าใจ ธรรมะจะเข้าไปช่วยเยียวยาได้ทุกๆอย่างแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้จริงๆผมเคยนำเปิดคอร์สอยู่ที่ยกผู้ศูนสองพระเอิญเพื่อนสมัยเป็นเด็กเป็นมัธยมแล้วก็เรียนมหาลัยด้วยกันเขามาทำบุญที่ศูนย์สองก็เห็นชื่อผมเขาก็งงว่าผมมาทำอะไรเขาก็ขึ้นไปหาก็เขาก็ไม่รู้จักไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนเข้ามาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงอะไรไม่เคย เขาก็บันเลงเลยมึงกลัวไอ้หาไอ้สารพัดเลยบินกันว่อนไปหมดเลยผมก็นั่งยิบจิ้มๆว่าโยคียกําลังนั่งสมาธิกันอยู่ตอนนั้นผมบอกออกไปบรรยายให้หน่อยดีบรรยายอะไรเธออยากพูดอะไรก็ได้พูดถึงความชั่วของในประเสริฐใวันก่อนก็ได้พูดให้คนฟังให้หมดเลยก็ได้เอางั้นเ่ะออกไปเลย ไม่กลัวกู้อะไรออกไปเลยพูดให้หมดเลยยิ่งเลวร้ายเท่าไหร่ยิ่งดีจะได้รู้ว่าอุ้มธรรมะเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาไม่กล้าเขไม่กล้าอนะครับก็ พอละนิดนิดหน่อยๆพอได้รู้จักกันบ้างนะครับหลายคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแม้แต่ในหนังสือดูจิตยุงภาษาก็มีเรื่องของหมอจุ๋มอยู่ด้วยผมจําได้ตอนนั้นเป็นพระรับนิมนต์หมอจุ๋มกับพระจนันนุญจันไปที่บ้านหมอจุ๋มขึ้นบ้านใหม่มีเรื่องแกงจืดมีเรื่องน้ําพริกกะปนะิผมจําได้แต่ไม่ได้มีอะไรนะหมอจุ๋มมาขอเข้ามาตอนหลังก็ไม่มเกียวอะไรไม่คขอโหดสิก็ไม่เกี่ยวพอไปอ่านเจอเองคือหมอจุ๋มเลี้ยง แตนน่นเรียนพระก็ทําอย่างดีแหละน้ําพิกาปีไม่เลยผมคงแพ้แหละแล้วผมท้องเสียอย่างหนักเลยกลับไปถ่ายไม่หยุดเลยเป็นสิบสิบขนนอนเรียกว่าคลานจนต้องโทรศัพท์เรียกโยมน้องมารับไปส่งโรงพยาบาลแล้วผมเพิ่งรู้ว่าในกุฏิพระเนี่ยไม่มียาแก้ท้องเสียโอ้โหเพราะว่าจริงๆมีแต่พระท้องเสียกันไม่ที่หยุดคือ <c ười> <c ười> พระท้องเสียไม่ผมเพิ่งรู้ว่า เป็นพระที่ท้องเสียเยอะจริงๆนะคืออาหารนี่เราควบคุมไม่ได้เลยไงมายังไงกับฉันอย่างนั้นล่ะโอ้โหพระท้องเสียกันไม่ได้หยุดเลยพอถึงข้าวผมบ้างไม่มียาสงสัยไม่เคยทําบุญกับยาไวเ้เยไม่มียาคลานขึ้นรถเลยอะ่ะแล้วก็นั่งภาวนาไปเรื่อยจนถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็มีอยู่ในเนื้อเรื่องครับแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็เกิดที่กายนะเ๋ยเราสวดมนต์กันวันนี้เราจะสวดมนต์อะลาหังสัมมานโมตจ่า แล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปธรรมจักรเลยนะครับเปิดไฟได้เลยครับจะได้มองเห็นหนังสือธรรมจักรหน้าอะไรไม่รู้หกสิบเก้านะครับะสมดมนะครับ อรหังสมานสมุทรปะกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ต่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงได้สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูทพังปะกวนตังอภิวาเทมี ข้าพระเจ้าอภิวาสพระผู้มีพระภาเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสัวหาตนพระวจนะจำโมพระธรรมเป็นทรรมที่พระผู้มีพระภาเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว นามนามาตยามิท้าวเจ้านมาจการธรรมสุปฏิปันโนอาคาวาชนสาวาคาสมโพราชสมสาวกของพระภูมีพระป้าเจ้าปิบัติแล้ว สัา ม, าม พ, นพันธมางดีอาปเจานนอบนอมพระสงฆ์ท่านธรรมยังพุทธาทพระขาวโตภูปภางขันนามการังการรมเัเสิงโนโมจติจารขวโตขอนอบน้อม พ ร, ระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระอาจงซึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสธรรมาสมพุทณ์สดใสจะสรุาายยปจบได้โดยพระองค์เองนามปัญจสังกขวัตโต ขอหนอนแม่พระผูมีพระภาเจ้าพระองค์นั้นอะราหโตรซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสธรรมาสมบูรณักสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอน่อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราห์โตงเติมเป็นผู้ไกลจากทิเลศมาสมบูรสาประสารู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ส่ายายธรมรมาจากระวัตนาสุตาปาจันตนาเมเสียมเวณเมณภิกษเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่กาปจิเตนันาเสวิตภภาปา เป็นสิ่งที่บัประจิตไม่ควรคล้องแวะเลยเยอยายายังกามเมสุกามสุขังริการุโยคนี่คือการประกอบตนกัวพันอยู่ด้วยความใครในกามทั้งหลายฮิอแห่งของกรรมสามอะโม สุชานิคกเป็นของคนชั้นผุุู้ชนอนาณาญย ο, ไม่ใจข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาตสันนิโตให้ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งย่อยใดยังอาตากิลาตานุโยโค อย่างหนึ่งคือการประกอบการตรมานตนให้หลำบากลูกโภเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อาณาริโยมไม่ใจ้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาณาสันริโตไม่ประขอบด้วยประโยชน์เลย เทเตเตภิกขเวอุปอันเตอนุปัตขมะมจิมาปฏิปัตตาดูกนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตาตาคาเจนาอภิสัมุทธา เห็นขอ้อปฏิบัติที่ฐานโคตใต้ตรัสรูจ้จกพอแล้วยาหูการณีเป็นเครื่องกระทาทำให้เกิดจยากสุญาณการณีเป็นเครื่องกระทาทำให้เกิดญาณหัวปสจมายาเพื่อความสงบอาริญญาญาเพื่อความรู้ยิ่ง ลำโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวัตติเห็นไปเพื่ อ, อนิพพานกาตมาจะสามิกเวมะจิมาปฏิปทาดูกนภิกษุทั้งหลายขอปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่า อายาเมวะอาริโยะตังกิโกมะโกข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางงานประเสริฐกระขอบด้วยองค์แปดประการนี้เองเลยอยากดนันได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาติปิความเหม็นชอบ สัมมาสังกัปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดใชอบสัมมากมวันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวอนการเลียงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาเปลี่ยนชอบสัมมาสติ ความาระลึกชอบธรรมะสมาธิความกั้งใจมั่นชอบอายังโกฬาปิกเวมชจิมาปฏิปทาสุก่อนพิกูุทั้งหลายนี่แหละคือก็ปฏิบัติเป็นตางสายกลางตาจารกะเทนะาภิสัมพุทา เห็นข้อปฏิบัติที่ท้าคาได้ตรัสรู้จะพอแล้วญาคุคารณีเห็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุยาณนักคารณีเห็นเครื่องกระทำให้เกิดยานโมปะสมายาเพื่อความสงบอาภินญญายาเพื่อความรู้จิง จำปัญยาเพื่อความรู้กรอมเนพานายาสังวตรติเข็นไปเพื่อนิพานที่ทาัาดรปัญญาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังรู้กนทิสูทั้งหลาก็อริยสัจคือทุกมีนมีอยู่ ชาติพิตุขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปิทุขาความแก่ก็เป็นทุกข์มารนามปิตุกขางความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสปิตุขา ความสุขควารม ร, าร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาเปียีสัมบยกโยโคทุกโขความประสบกัสิส่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปีเอยิวิปยโยโคทุกโข ความรัรกจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยางผิดจังนาราปฏิตามไปทุกขรังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สรางจิตใจนับปันจูปาทานขันตาทุกข้าว่าโดยย่ออุปาทานขันทังอาเป็นตัวทุกข์ ที่ทางโคบาลปาิกเวทุกขสัมุทยโยอริยสัจจังดูก่อนภิสูทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุใ ห, ให้เกิดทุกนี้มีอยู่ยายากตัณหานี่คือตัณหาโกโล ภ, ภวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีก นันทิราคัสหาคาตานันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคะตราตราทนันทีนี้เป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนันเจอยาทิทางได้แก่ปัญหาเหล่านี้คือกรรมปัญหาปันหาในกรรม ภาวตัญหาตัญ ห, หาในความมีความเป็นวิภาวตัญหาตัญ ห, หาในความไม่มีไม่เป็นยีตังขุปปนาติกาเวทุกขานิโรธออาเร ย, ยัสจังดูก่อนปิสุทั้งหายก็อาริยัสจัตคือความดับไม่เหลือแห่งทุกมิมีอยู่ ยยตัสเยวกันาอาเิสามิราคานิโรโตนี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองราโคเป็นความสลัดทิง้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมูติเป็นความลอย อาณาละโยเป็นความดำไม่ให้มีที่หาสัยซึ่งตัณหานันนิทังโคปนาธิกเวทุกานิโรธคกามินิปฏิปัติอาริยสจังดูก่อนพิจูทั้งหลายก็อาริยสัตคือก็อปฏิปัติที่ทำจัตให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้ มีอยู่อายามเมวะอาเรยอาจังกิโกมะโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการเาทียดีิดางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสรมาทิฏฐิความเห็นเจอบธรรมะำหรับโพ ความดำริชอบสมมาวาจาการพูดจาชอบสมมากรรมต่อการทําการงานชอบสมมาอาชีวการเลี้ยงชีวิตชอบสมมาวาย า, า, า, า, า, า, า, าโมความพาเพียนชอบสมมาสติความระลึกชอบ สัมมาสัมป a ัญญะความตั้งใจมันชอบดีดังตุคัมภีร์สัจจันติเมผิกเวโมเพอนันโนสุเตสุทัมเมสุญาคุงอุตตปะติญาณังอุตตปะตินันจาอุตตปะติวิชาอุตตปะติ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 ว่าอาเรียสัตว์คือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อางนี้ดังนี้ดังโกบาลนี้ังทุกข์ขังอาริยสัตจังปาริยตันติว่าก็อาริยสัตว์คือทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ดังโกปาลนี้ดังทุกข์ขังอาริยสัตยังปาริญาตันติ ว่าก็อริยสัจคือทุกนั่นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วนางนี้นีนังทุกขสมุทยอริยสัจจังติเมพิกเวโูเบอนันตสุเตสุทัมเมสุจยากคุ้มอุทาปิอยานังอุทาปิปัญญาอุทาปิ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 ในตามที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอาลัยสัตวคือเหตุให้เกิดทุกข์เห็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทางโคปันิทางทุกขสมุทธยออาลัยสัตจังฟ้าตัปันติว่าก็อาลัยสัตว์คือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเสีย ดังนี้ทังกบปนิทังทุกขสมุทรโยอาเรียสัท่ป็นทีนันติดาก็อรยสัคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแลเราละได้แล้วดังนี้ังกรโรโตอรยสัตจัิเมบิกเวเาุสุสุทัเสุ ญาคุงอุตตภาพติยาหนังอุตตภาพติอัญญาอุตตภาพติมิจจาอุตปภาพติอาโลกโอุตปภาติดู่อนสิสูทั้งหลายอยาสุเกิดึงแล้วแกเราญยากเกิดขึ้นแล้วแกเราอัญญาเกิดขึ้นแล้วแกเรา วิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้รางขั้นบันนีทางสุขบนันนโรโตอริยสัจจังสัจจิกา ต, ตัปปัตติ ว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั่นแหลเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งดังนี้ตังข้อปัญญาทุกันิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตาตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั่นแลเราทําให้แจ้งได้แล้วดังนี้ ดิการุกันิโรตังนิปติปะตาอริยสัจจันติเมติกเวทูเบหนันตุเตสุขเมสุญาคุงุ n ถปทฏิญาณุตถปาฏปัญญาุตถปาฏิวิจารุตถปาฏิาโลกุตถปาฏ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 ว่าอารียสัตว์คือก็อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ล้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ดังโคปณนิทังทุกปนิโรตถามิปันิปัิปัตาอาริยสัตจังพาเวตัพันติ ว่าก็อาริยสัจคือก็ปฏิบัติที่ทำสัตว์ไม่รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีทางนี้ทางโคปันิทางสุปันิโรธกามินีปฏิปัตอาริยสัจจังวาริยติ ว่าก็อริยศาสตว์คือขอปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือเห็นทุกข์นั่นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วตางนี้ยาวาคีวันจเมพภิกขเวหิเมสุจัตโตสุอริยาสตร์เจสุ เอวันติปริวัตังขาวาตสาคารังยาชาภูตังยาณัสสะนังนสุวิสุทังอาโหสิดูก่อนวิสุทั้งหายมัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัตสามมีอาการสิบสองเจนนันในอริยสัจทั้งสีเหล่านี้ อย่างไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแกเราอยู่เพียงใดเนรวตาวะหังวิเกเวสเทวเกโรเกสัมมาเกสัพรมเกสัมมาณะพ a ะ a ณีญ a ปัญญาสัเทวมนุสัยญอมนุตร a สัมมาสัมปวิอภิสัมพุโตปัญญาสิง ดูก่อนพิสุทนธรรมายตลตรการเพียงนั้นเรายัางไม่ปฏิญญาว่าได้ตรจรู้พร้องจะพอแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้องทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้องทั้งสณพราณครพร้องทั้งเทวดาและมนุษย์ อยายากมิกายิเมออยาสวยยิ่สักเมื่อวันปริวัติงทวารทศการังยาาผูตังอากนัสนังสุวิสุตังโอสิรู้่อนติสุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริง มีปริวัตสามีอาการสิบสองเกณฑ์นั้นในอริยสัจทั้งสีเหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแกเราอาทะังวิกเวสเทวเกโรเกสมมาเกสัพรมเกสัจมารามณียาปัญญายาสเดวมานุสัยยะ อานุตตรังสมัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโตปัจจัญญาสิงเมือม่อหัน<ม>เราปัจจญญาวาา่าได้ตรัสรู้พร้อมจะพอแล้วซ<ม>ึ่งอนุตตรสมรัมมาสัมโพธิญาณ<ม>ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกปรงมโล ก, โลกในหมูสัดพร้อมทั้งสมัมมาณัปการ พร้อมทังเจวดาและมนุษย์ยานันจะพนัเมภิเกเวทัสนังอุทปาทิดูกนพิสุทั้งลายก็ยานและทัสนาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอาคุปาเมวิมุติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริดอายามันทิมาชาติ ความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิพุนภาปวติบาี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีนางนี้ทันทาหยังธรรมจา ที่สวดไปก็ธรรมจักนะครับการรวมถึงแปรด้วยนะท่านก็สามารถอ่านได้จากในกลัวเกิดนะครับถ้าช่วงว่างๆแล้วเดี๋ยวช่วงเข้ามา9ก้าโมงครึ่งภาวนาสักแป๊บหนึ่งเราก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมจักในแต่ละส่วนแต่ว่าในหนังสือกลัวเกิดเนี่ยครบถ้วนหมดแล้วนะครับอ่านไปก็เข้าใจได้อยู่แล้ว ผมพูดก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่อาจจะความจริงทที่ผมเขียนไว้อาจจะละเอียดกว่าเวลาผมบรรยายได้ซ้าก็มีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับในส่วนของธรรมจักรแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวกันละที่นี้ เมื่อคืนเราได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณนะครับหลายคนก็เริ่มพอจะจับเขาทางได้บ้างอย่างเช่นการที่บอกว่าลิงจูบอย่างเงี้ยลิงจูบมันเกิดสังขารปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้ขึ้นมาเป็นอารมณ์เกิดเป็นอารมณ์เคลิม มีนันทิเป็นเครื่องเข้าไปซ่องเสพคือความเพลินมีราคะเป็นเชื้อนะครับแล้วก็มีตัณหาเป็นความอยากบีบคั้นก็ทำให้เกิดวิญญาณอาหารของวิญญาณก็ครบถ้วนอาหารของวิญญาณก็คือราคะความยินดีพอใจสังเกตดูถ้าเมื่อไหร่ท่านเกิดราคะไม่ว่าจะในอาหารรสชาติอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าทุกอย่างอาหารของวิญญาณได้ลอาหารวิญญาณได้ปุย๋ย วิญญาณได้ปุ๋ยนันทิคือความเพลินทำอะไรก็เพลินดูอะไรก็เพลินเพราะจิตไม่ตั้งมั่นถ้าหากจิตเดินอยู่ในชาญสีมันจะไม่ไหลไม่เพลินไม่เพลินไปอย่างนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่มสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่แต่ชีวิตของเราลองสังเกตพร่ำเพลินเอ้ยเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่อะไรชอบก็จะเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญแล้วก็เมาหมกอยู่เจอใครก็ พ้ำสรรเสริญแล้วก็เมาหมกอยู่อย่างนั้นอ่ะอู้หยที่นั่นดีจริงๆแล้วเธอเอ้ยเธอไปเนื้อเธอพ้ำสรรเสริญเมาหมกอยู่นั่นแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่ลักษณะของอริยะสาวกนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสเตือนแล้วอย่าเห็นโทษภัยแม้นเพียงเล็กน้อยสาวกของท่านเนี่ยต้องเห็นโทษภัยแม้นเพียงเล็กน้อยอืมเอาอีกแล้วเราเอาอีกแล้วเตือนตนนะครับเตือนตนแล้วก็หยุดซะ เลื่เพลินพั่มสันเสริญเมาหมกอยู่ก็ถ้าเป็นความเข้าใจแบบที่เราง่ายๆก็เหมือนกับเลียซากไม่หยุดทั้งทงี่มันจบไปหมดแล้วมันนั่งเลียซากคําครวนคําครวนนี่ก็ไปนในทางลบหน่อยมันคือความมีตัวตนเวลาค้าครวนทําไมเขาต้องทํากับฉันอย่างนี้นะทําไมไม่เห็นใจกันบ้างเลยอะไรเงี้ย ข่ำควรวนข่ำควรวนอย่างนีน้มีแต่จิตตกต่าแล้วก็ไม่ใช่ใครคนอื่นเขาก็ไม่ได้มาอะไรอข่ำควรวนก็กลายเป็นแรงเสียดทานให้ตัวเองลงนรกไปซะเหมือนจะบอกว่าคนอย่างนี้ไม่สมควรอยู่เป็นมนุษย์นะเ่ยถ้าแรงแรงหน่อยนะครับจะได้สะกิดใจคือจะลงนรกอยู่เรื่อยค่วนอยู่นั่นทําไมทํำไมเขาไ ม, ไม่ลงไปเลยอย่ายิ้มไม่เห็นเคยข่ำควรวนเลย ไปทำอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นมีใครมาเห็นคุณค่าจะเห็นไม่เห็นนกปลาก็ได้ใช้เห็นว่าสิ่งนั้นควรทำก็ทำไม่เห็นจะต้องมาใครมานั่งสรรเสริญอะไรทีวีเขาไปถ่ายก็ไม่ได้ปลื้มอะไรกลับออกไปเธอก็ทำต่ออย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ครับทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเล่าให้ฟังท่านจะได้พอเอามาเทียบเคียงสู่การปฏิบัติ ผมเคยไปกราบหลวงปู่ไม่เอ่ยชื่อท่านดีกว่าเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ชื่อดังในวันนั้นผมไปเปิดคอร์สอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วมันก็อะไรบางอย่างก็ได้ยินชาวบ้านแถวนั้น เขาพูดกันว่าหลวงปู่ท่านมาผมเคยได้ยินชื่อท่านแต่ผมไม่ได้รู้จักท่านอะไรเลยก็ได้ถามชาบ้านที่พูดว่าแล้วท่านอยู่ที่ไหนตอนนี้บอ้อ๋อท่านมาที่วัดสาขาของท่านหลวงปก็เลยบอกว่าพาผมไปหน่อยสิผมอยากจะสนทนาธรรมกับท่านหน่อยคือพูดง่ายๆนะพูดกันตรงไปตรงมาแนละ้ว ผมอยากให้พระรหันด่าหน่อยตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากให้ท่านด่าสักคำสองคำชาวบ้านก็เลยพาไปโอ้โหคนมืดฟ้ามัว ด, ดินผมก็นั่งอยู่ไ ม, ม่ดูแล้วไม่มีทางเข้าไปถึงตัวท่านแน่คนเยอะมากแล้วผมก็ไม่รู้จักอะไรกับใครไม่ได้มีเส้นสายกับใครเลยนะไปดุยดุยเลยก็กราบพระแล้วก็นั่งฟังเทศไปแป๊ พอถึงเวลาฉันก็โค้นเต็มไปหมดเลยนะลูกศิษย์ลูกหาก็ยังว่าแหละครูบาอาจารย์ดังก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งก็กลับดีกว่าวันนี้คงไม่มีโอกาสแล้วเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าก็คนเต็มไปหมดเลยก็คุมลงกลับจะลากลับอ่พะพอกล่าบผลที่สามเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยผมงงมากเลยคนไม่รู้หายไปไหนหมด ไม่มีคนเหลือสักคนเลยผพไา้อะไรวะตอนก่อนผมกลับนี่เต็มไปหมดเลยคนนะ่ะผมถึงตัดสินใจกลับดีกว่าเพราะคงไม่ได้คุยแนละ้วพอครั้งที่สามเลย น, นั่งขึ้นมาเนี่ยก็มันจะลงจากศาลาเนี่ยอ้าคนไปไหนหมดอนะ่ะผมก็เลยรีบคานเข้าไปเลยพอคานเข้าไปท่านก็กำลังนั่งพักผ่อนฉันเสร็จต้องใช้ไม้ขัดฟันถูนั่งทูไปเลย นั่งสบายใจเลยท่า น, านผมก็คลานเข้าไปครับหลวงปู่ครับท่านก็ไม่ค่ยได้ยินหลวงปู่ข้ามก็ตะโกนดังๆท่านก็หันลงมามองหน้าโลกนี้มันว่างครับฮะโลกนี้มันว่างครับหลวงปู่มันก็ว่างของมันอยู่แล้วไปทําจิตให้ว่างไป แล้วก็กลับแค่นั้นเสร็จแล้วอีกสามปี <_ an> ก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้พบท่านอีกครั้งหนึ่งเที่ยว น, นี้ก็แปลกท่านเกิดเดินทางไปสุราษฎร์แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนเลยทีมงานก็ติดต่อสวนยินดีทาขอให้หลวงปู่มาพัก โอ้โหก็รีบสินิมนต์เลยถ้างั้นจนคนก็มาถามว่ารู้จักกับหลวงปู่เหรอลูกศิษย์ใกล้ชิดไปเป็นขบวนน่ะหลวงปู่ไปเนี่ยรถเก๋งอีกสิบสี่คันแล้วก็เทรลเลอร์อีกสองคันเทรลเลอร์ใหญ่ๆสี่ยี่สิบี่สิบคอนเทนเนอร์อีกสองคันวิ่งตามหลวงปู่ไปหลวงปู่เอาเข้าวสารไปแจกตอนที่ร้้วท่วม 40ฟุตคอนเทนเนอร์ข้าวสารข้าวหอมมะลิขนมาจากอีสานนะ่ะทั้งหมด20ตันนะเอาไปแจกแบ่งเป็นถุงๆละ10กิโลแล้วก็มุงอีกพันชุดที่นอนพันชุดโอ้โหรถคอนเทนเนอร์วิ่งกันเป็นคอนไวย์เลยวิ่งตามรถหลวงปู่อัเนี้ยหลวงปู่มาถึงก็พักผ่อนสักพักก็หลวงปู่ไปบินทบาทมาช่วยนะหลวงปู่ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอก โอ้โหบาทหลวงปู่ใหญ่มากเลยคือแบบเขาสันเยอ ม, มากนะ่ยแปดสิบพุทคอนเทนเนอร์อ่ะยี่สิบตันนะ่ะหลวงปู่บินบานมากนะโอ้หลวงปู่แถมยังมุ้งมิงมาเต็มเลยมาช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยก็มีโอกาสนั่งคุยกับท่านอีกครั้งทีนี้ง่ายเลยไม่ต้องรอใครไปแล้วอยู่ในที่ของเราแล้วก็เลยได้สนทนากับท่า น, นก็บอกว่า เมื่อสามปีที่แล้วผมเคยกราบหลวงปู่แล้วก็เล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังท่านไม่พูดอะไรท่านบอกว่าคนข้างบ้านมันจะนิสัยยังไงช่างหัวมันไปรู้จักมันก็ถุกไม่รู้จักก็ไม่เดือดร้อน พูดแค่นี้ผมก้มลงกราบเลยอคารวะเลยสุดยอดหลังจากนั้นก็ต้องขึ้นกรุงเทพมีบรรยายที่ย่อพูดห <c oughs> ลวงปู่ครับผมว่าจะนาน้อยจริงๆไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสดูแลหลวงปู่จนกระทั่องอยู่ครบ ถ้าไม่รู้จักผมเนะี่ยแล้วผมก็ไม่แนะนำตัวไม่ได้อะไรไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นเลยผมจำเป็นต้องไปทำงานทำธุระที่กรุงเทพเลยไม่มีโอกาสดูแลหลวงปู่จนอยู่ครบท่านก็บอกว่าหลวงปู่ต่างหากแล้วที่ไม่มีวาสนา ใครบอกว่าเธอวาสนาน้อยบุญนะไม่มีที่จะเก็บแล้วไปเธอไปทำงานแล้วก็มีบทสนทังนาอีกเยอะเลยผมเขียนไว้ในเว็บไซต์ของส่วนยินดีพูดไม่ต้องเยอะแต่ทุกคำ แตระ อ, องค์แตละ อ, องค์พูดน้อยนะครับแต่ถ้าใครพอเข้าใจผมเชื่อวันนี้ท่านฟังอะไรก็เข้าใจเข้าใจไหมคนข้างบ้านเนี่ยวันนี้ท่านเกิดสัมมาทิฏฐิเห็นนามรูปเห็นเนี่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยวิญญาณเนี่ยรู้เพื่อนหมด จนเห็นว่าตัวเองเกิดดับก็รู้แต่สุดท้ายเรื่องของคนข้างบ้านรู้ไปก็ทุกข์เพราะมันมีแต่สภาพทุกข์ไม่ต้องรู้หรอกนั่นแหละจบกิจมันเป็นของมันอย่างนี้เองจะไปรู้มันทำไมนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ ที่วิญญาณดับที่พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนาดับหมดถ้าไม่ปฏิบัติไม่เข้าใจถ้าดับพระพุทธเจ้าทำไมตรัสรู้แล้วท่านก็ยังเดินไปโปรดบัรจะวะคีท่านดับก่อนเพื่อนเลยวิญญาณท่านดับตั้งแต่วันนั้น แต่คำว่า ด, ดับคือการที่มันไม่เข้าไปเกาะแล้วไม่ปรุงมาเป็นของเรามีอยู่ก็เหมือนไม่มีหลวงพ่อเอี่ยนครั้งหนึ่งขับรถไปด้วยกันท่านก็นั่งอยู่ข้างหลังท่านก็มองไปเห็นคนแก่เดินอยู่ข้างถนนยักแยยักยันอายุมากและแปดสิบปัวท่านหันไปมองแล้วท่านก็ คนแก่นี่ทุกข์เนาะแต่ถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาแก่เขาไม่ทุกข์หรอกพูดแค่นี้คนแก่นี่ทุกข์แต่ถ้าจิตมันไม่ไปปรุงแก่ขึ้นมาเป็นกูแก่มันจะทุกข์ได้ยังไงมันก็เป็นสภาพเหมือนต้นไม้เก่าๆต้นไม้อายุมากต้นหนึ่งที่ท่านขับรถผ่านท่านทุกข์กับมันไม่ล่ะ วันหนึ่งที่เห็นอย่างนี้แล้วไม่ปรุงขึ้นมาไอ้ว่าขันนี่มันเป็นของเราเป็นเราเนี่ยจะทุกข์กับมันไม่ล่ะมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติก็ดูแลกันไปเอาธาตุใส่ธาตุมันก็เลี้ยงกันไปแล้วก็เอามันมาใช้ประโยชน์ซะถึงเวลาต้องใช้ประโยชน์อย่างหนักก็คงต้องขี่ขันกันแบบไม่ฟังเสียงนะจะเป็นอะไรก็ต้องบังคับให้มันทางานไปเรื่อยๆ ถึงเวลาดูแลได้ก็ดูแลกันเท่าที่ดูแลนะครับเพื่อรักษามันไปแต่เมื่อถึงมันจะจบก็กจบไปก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกตายซะก่อนตายพเข้าใจความจริงตามธรรมชาติทุกมันจะตั้งตรงไหนมันก็ไม่มีที่ตั้งทำยังไงก็ไม่ถึงจิตเพราะจิตมันก็หยุดหมดแล้วจิตก็คืนไปแล้วจิตก็ไม่ใช่ของเรากายมันจะเป็นของเราไปได้ยังไง ความรู้สึกต่างๆก็แค่วู่ว๊วว่าๆเกิดๆดับๆยังไงต้องยึดถือวันที่ผมรู้สึกกตอนที่หมอเตือนบอกว่าเป็นโรคเบาหวานนะต้องควบคุมน้ำตาลหน่อยผมเป็นคนชอบกินเค้กก็แน่แหละมันถึงเป็นหลังจากนั้นคนก็ยังเอามาให้ นี่ขามายกลองอยู่ด้ตู้เย็นโรงแรมหรูซะด้วยหลังจากที่หมอบอกว่าผมเป็นเบาหวานเนี่ยทุกครั้งที่ผมทานข้าวเห็นอาหารบนโต๊ะผมมองไปเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าโลกนี้มีแต่น้ำตาลไปไม่จะกินอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างไม่หวานก็แป้งไม่แป้งก็อะไรแย่ๆไปหมดเลยก็ ก็ต้องดูแลทีนี้ไอ้คนเรามันเคยกินพอเค้กมาก็ตักนะช้อนหนึ่งแล้วกันคนส่วนใหญ่ว่าโอ้โหถ้าช้อนหนึ่งอยากกินดีกว่ามันอันตรายเพราะาถ้าไปช้อนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะหมดก้อนเลยละ่ะส่วนใหญ่นะบอกไม่เป็นไรแล้วก็ช้อนหนึ่งอืมอร่อยร้านนี้ใช้ได้เลยรสชาติดีแล้ว ก, ก็พอเลย ันไม่กินอีกหน่อยอ่ะคือก็อร่อยรสชาติดีวูบขึ้นพอเกินเสร็จก็หายไปละผมก็รู้ว่าถ้ากินคำที่สองวุบวคำที่สามววุบ ว, วุคำที่สี่ก็วุบพอถึงคำที่ห้าว่ากูไม่น่ากินเลยนะ <laughs> ผมก็รู้แล้วว่าพอมันจบนมันก็จะไม่น่ากินเลย เพราะฉะนั้นจะาอให้ถึงตรงนู้นทําไมมันก็มีแต่วุบวุบวุบวุบวอยู่ข้างในจะไปยึดเปนทําไมวุบวเนี่ยอร่อยก็ของมันอร่อยมันก็อร่อยนั่นแหละจะบอกว่าเุ๊ยไม่อร่อยเลยรสชาติไม่มีไม่ใช่ก็มันอร่อยก็ขันมันก็ชอบสัญญามก็มีแบบนี้เรียกอร่อยจะไปยากอะไรแต่ไม่ยึดไม่เอาก็วุบวุมันก็ไม่ได้เกิดความยึดความอยากอะไรอืมอร่อยดีนะออีกหน่อยไหมไม่เอาพอแล้วกินข้าวดีกว่า เพราะฉันให้เห็นว่าไอ้ของบุ บ, บ, บเนี่ยไอ้ที่นา ม, มาทําเนี่ยอย่าไปยึดถือผมถึงบอกว่าอย่างนี้อย่างเย็นไอ้อย่างนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วไปยึดมันทําไมแล้วไปทุกข์กับมันทําไมผู้หญิงเนี่ยโอ้ยอ้วนแล้วตอนมีเนื้อล้ไม่ใช่ไม่ใช่มีเนื้อมีมัน <c oughs> นะต้องอดอาหารเนยเสร็จแล้วพอสุดท้ายแล้วแล้วก็โอ้โไม่น่ากินเลยเนี่ยต้องไปเบิร์นอีกแล้วนะทีนี้เอาใหม่ วุบบวเห็นมันวุบวุบเฮ้ยอย่าไปยึดถือนะอย่าไปยึดถือสัตว์จะเรียบเลยอย่าไปยึดถืออ่ะสุธาตุปัจเวกต้องเอาธาตุปัจเวกเข้ามาช่วยหน่อยญาต้าปัจยังปวัตมานังตาตุมาตะเมวตา สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าราตามธรรมชาติเท่านั้นตามดังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เหนือนิ้นยาที่ตามบินทภาโตสาธุปาคุญญะโกจะาปุกโรสิ่งเหล่านี้คือบินธภาตและคนผู้บริโภคบินทภบาตนั้น อาตุมาสัก ร, ปรเป็นสักว่าข้าตามธรรมชาตินิสสัตว์ที่ได้เป็นสัตวะอันยังยืนนิชีวที่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษกุขนรุนยความเล่าจากความหายแห่งความเป็นตัวตน ตาโปะนัยังบินตาปะโทอาชิภุจันิโยภพินตามาทั้งหมุตี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมอิมังคูติกายังบัสวาวรันมาถูกเข้ากับกายอันหนาวอยู่เป็นนิสนยแล้วอาธิวิยาชิภูตินิโายใยติ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน